ทำเมื่อวินัยก็เป็นแค่สมมุติไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ไปฏิโมกเอาละประชุมครั้งนี้เราก็มาทําความเข้ า, ขาใจนี้นะไม่ต้องสวยก็ได้แล้วก็ลงทํา ม, มาทิฎิไม่มีพระสงงักองค์กล้าแอะคัดค้านสักคำหนึ่งพระในนั้นเนี่ยเป็นลูกส ม, มุนหมดเลยไม่กล้าแอะไม่กล้าทั ก, ท, ก, ท, ก, ท, ก ท, ทักทัดทานทักท้วงวันนั้นเลยพร้อมๆกันนั่นะ่ะ เป็นวันที่าศาสนาพุทธในยุคนั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วาศาสนาพุทธที่ประกาศโดยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะชื่อว่าเสื่อมหลังจากที่พระกปิละประกาศว่าพระธรรมวินัยเป็นของสมมุติไม่จําเป็นต้องไปถือและวันนั้นเองพระพี่ชายที่เป็นพระอาหารหันต์ก็ปรินิพาน พระผู้มีความรักในศีลทั้งหลายอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่ากลุ่มนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มีอิทธิพลเยอะมีลาบสการะมากมีบริวารมากพระที่รักศีลรักธรรมรักวินัยตรงทางก็กระจัดกระจายกลายเป็นพระที่ไปปีนถ้ำอยู่ที่เป็นประวัติของ ท่านพะฮิยะแล้วใครคัดค้านก็จะถูกบริวารเนี่ยไล่ด่าไล่ด่าคนที่ด่าบ่อยสุดคือภิกษุณีที่เป็นแม่และเป็นน้องบริวารใกล้ชิดมีแม่เป็นบริวารภิกษุณีที่เป็นแม่และน้องเนี่ยก็ด่าพระที่รักศีลรักวินัยรักธรรม ที่เห็นว่าท่านทําไม่ถูกด่ามากและคนด่ามากเนี่ยก็แปลกมากว่าอายุยืนทําไมถึงอายุยืนไม่ใช่ด่าแล้วอายุยืนมีบุญเก่าแบบอื่นยังบุญบุญที่ให้มีอายุอยู่ที่จะให้มีอายุอยู่เนี่ยนะยังให้ผลอยู่แต่อายุที่มีอยู่เนี่ยดันไม่เอาไปทําประโยชน์ เอาไปด่าเข้าใจไหมคนที่อายุยืนเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่มีผลบุญเก่าคือทําให้มีอายุยืนแต่คนที่ฉลาดเนี่ยเอาอายุที่ยืนยืนเนี่ยเอามาทําประโยชน์แต่คนที่ไม่ฉลาดเอาอายุยืนยืนอย่างเนี้ยมาทำสิ่งที่เป็นโทษกัปปิละใช้อายุยืนยืนนั้นอะมาทําสิ่งที่เป็นโทษทํานานท่านเล่าประวัติ ท่านเล่าประวัติของปลาตัวนี้นะบอกว่ากัปิละตายจากชาตินั้นแล้วก็ลงนรกเป็นนรกเอเวจีเอเวจีมหานรกชาตินี้เนี่ยโผล่จากนรกมาหน่อยนึงมาเกิดเป็นปลาด้วยความที่เป็นเศษเศษของอกุศลจึงมาได้แค่เป็น ดิระานเป็นปลานี่เป็นการตอบคาถามพระเจ้าประเสรินติโกศลว่าทําไมจึงเป็นปลาทําไมถึงสีทองเพราะว่าในชาตินั้นชาติที่เป็นกปิละภิกษุเนี่ยได้เรียนพุทธพจน์แล้วก็บอกพุทธพจน์มีการบอกพุทธพจน์เหมือนกันตอนเรียนแรกๆ มีบุญเหมือนกันนะบุญอันนั้นเนี่ยทำให้กายเป็นสีทองทำไมปากเหม็นไปด่าพระ <c oughs> นี่เตือนไว้นะ <c oughs> อย่าด่าพระนะ <c oughs> ไปด่าพระแต่พระที่มีคุณธรรมจริงๆพระที่ปฏิบัติถูกตรงทางแล้วท่านก็เกรงว่าคนทั้งหลายจะไม่เชื่อนะพระเจ้าเกรงว่าคนทั้งหลายจะไม่เชื่อ เอาละตาาก็จะสนทนาจะขออนุญาตสนทนากับปลาตัวนี้ขออนุญาตนะแล้วก็ขออนุญาตกับพระเจ้าประเสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็กราบว่าขออรัทนาพระองค์จนสนทนากับปลาเถิดอยากดูเหมือนกันอยากฟังอยู่เหมือนกันพระริเจ้าก็ถามท่านคงชัยฤทธ เพื่อให้ปลาน้่พูดได้ก็ถามเธอชื่ออะไรปลาก็อ้าปากเหม็นก็เหม็นแต่ทนฟังเอานะก็มอมฉันชื่อกปิละก่อนเป็นกะพิละเนี่ยมาจากไหนอ๋อก่อนก่อนจะเป็นปลาเนี่ยมาจากอเวจีมหารกก่อนจากอเวจีมหารกเป็นอะไรเป็นภิกษุในศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้า เหรออ้ออาวแล้วทำอะไรมาจึงเป็นอย่างนี้บอกก็หม่อมฉันประกาศพระศาสนาผิดไปทำการกล่าวร้ายกับพระอรหันต์คือพี่ชายตัวเองแล้วก็จึงไปตกนรกตอนเนี้ยพ้นนรกมาหน่อยนึงมาเกิดเป็นปลาพระรจ่าก็ถามว่าอะแล้วพี่ชายเธอไปไหน พี่ชายปรินิพานแล้วก็ฉลาดเหมือนกันนะก็รู้นะว่า <laughs> ปรินิพานไปแล้วอ้าวแล้วแม่ล่ะแม่ยังอยู่นรกอยู่เลยคงจะด่าไปเยอะแล้วน้องสาวล่ ะ, น, ละน้องสาวก็อยู่กับแม่นั่นแหละอยู่นรกอยู่เอ้แล้วเธอละตอนนี้จะไปไหนต่อไปนรกรู้ด้วยนะว่าตัวเองจะไปนรกพอจบคําสนทนาตรงนั้นนะปลากด็ดิ้นดิ้นสองทีเอาหัวฟาดขอบเรือ แล้วก็ตายแล้วก็ไปนรกชาวประมงที่เอาปลามาถวายพระเจ้าประเรสริฐนิติโกศลแล้วก็แบกจากวังมาวัดก็ฟังอยู่ด้วยฟังอย่างนั้นแล้วก็สลดใจโอ้ทำบาปมีผลอย่างนี้นะก็เลยขอบวชกลายเป็นพระห้าร้อยรูปที่มาส่งเสียงเป็นชาวประมงแย่งปลากันะ แต่ท่านดีนะพระพุทธเจ้าเตือนนิดเดียวเองเตือนนิดเดียวเองไปเลยไปเลยไปถึงเวสาลีไปแล้วได้ดีไม่ดื้อท่านไปเลยห้ารอยรูปเนยนะก่อนจะมาเป็นชาวประมงเนี่ยเคยเป็นโจรมาก่อนเป็นโจรถ้ากลับใจได้ก็เอาดีได้นะเป็นโจรนยนะคอยปล้นโจรก็ ทำหน้าที่โจรคือปล้นพอปล้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านจักรู้ทีแรกก็โจปรปล้นหมู่บ้านนั้นแล้วก็ไปหมู่บ้านโน้นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไปปล้นหมู่บ้านเดียวก็ชาวบ้านหาเงินมาให้ปล้นไม่ทันก็ปล้นไปเรื่อยปล้นไปปันไปทั่วๆชาวบ้านเกิดรู้ทันรวมตัวกันได้รู้ว่าโจรมา และซุ่มอยู่ที่ไหนชาวบ้านขนาดอยู่กันต่างหมู่บ้านนะก็รู้แล้วนัดกันรวมตัวกันมันคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่นี่เป็นเรื่องของในคำพีนะชาวบ้านเนี่ยรู้รู้ทันโจรแล้วก็รวมตัวกันแล้วรวมกันมาคราวนี้ถืออาวุธมาด้วย เพราะว่าจะสู้กับโจรโจรมีอาวุฒใช่ไหมจะมาไม่ไม่คราวนี้ไม่ใช่ไล่นะจะมาฆ่าโจรโจรเนี่ยพอชาวบ้านรวมกันจริงๆก็กลัวนะก็จะหนีโจรมีห้ารอยังกลัวชาวบ้านนะเพราะชาวบ้านรวมแล้วมากกว่าแล้วคราวนี้เอาจริงชาวบ้านเอาจริงแสดงว่าป้นนาน จนชาบ้านเนี่ยชักอยู่ไม่ได้แล้วต้องสู้โจรหนีไปเจอพระโจรบอกว่าหาที่ซ่อนไม่ได้แล้วหาที่หลบซ่อนไม่ได้หาที่หนีไม่ได้แล้วไปเจอพระขอพระเป็นที่พึ่งด้วยดูพระไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกูเกี่ยวอะไรด้วยว่าแต่พระองค์นั้นดีมากเลยบอกว่าที่เธอไม่มีที่พึ่งเพราะเธอไม่มีศีล เน่ะเตือนเตือนโจร น, นะที่เธอไม่มีที่พึ่งเพราะเธอไม่มีศีลเพราะฉะนั้นถ้าเธอต้องการที่พึ่งจงสมาทานศีลโจรก็ดีมากยอมยอมสมาทานศีลศีลห้าเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้รับกันยังมีที่พึ่งแล้วนะอย่าทิ้งนะโจรสมาทานศีลห้าอดีตเป็นโจรช่างมันตอนนี้ศีลห้ามีแล้วจงระ ล, ลึกถึงศีลที่ตัวเองมีถ้าชาบ้านเข้ามาเจอเรา เขาไม่รู้หรอกว่าเรามีศีลเขาเห็นว่าเราเป็นโจรเขาเจอเราแล้วเขาอาจจะฆ่าก็ได้ถ้าเขามาปะทุศร้ายมาทำร้ายร่างกายมาฆ่าเราอย่ากโกรธเขานะพระเตือนนะให้ระ ล, ลึกถึงศีลให้มีศีลเป็นที่พึ่งและพึ่งจริงๆคือระลึกถึงศีลที่ตัวเองมีส่วนเขาจะฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องของวิบากของเราเราไปทำก่อน ให้เราลึกถึงศีลมีศีลเป็นที่พึ่งแล้วไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนี้มีที่พึ่งแล้วพระท่านดีมากเลยนะสอนโจรห้าร้อยให้มีศีลก่อนตายแล้วชาบ้านมาเจอแล้วชาบ้านปล่อยั้มไม่ปล่อยค่าคงไม่ฆ่าต่อหน้าพระแล้วพระคงเข้ากุฏิไปก่อน <c oughs> ถ้าฆ่าต่อหน้าพระเนี่ยโหดร้ายเกินไปแต่ปรากฏว่าโจรทั้งห้าร้อยนั้น ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเป็นเทวดาเพราะฆ่าหรือปล้นเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเทวดาเพราะมีศีลเป็นที่พึ่งมีศีลานุสติรู้จักไหมเป็นการธรรมรมกรรมฐานอย่างหนึ่งนะศีลานุสติเป็นเทวดาไปครบหมดเลยทั้ง500เลยไม่เหลือตกนรกสักคนเดียวดีมากขนาดไหนศีลนนะะนั้นจะไปไหนให้เริ่ดถึงศีล น, นะ แล้วกลับมาเป็นโจรนสมัยพระพุทธเจ้าพระนาว่ากัสปะเหมือนกันยุคเดียวกันกัยุคเดียวกันกับกบปิละนั่นแหละแต่กปิละเนี่ยเป็นพระแต่ตกนรกโจรห้าร้อยรับศีลไปสวรรค์ยุติธรรมนะใช่ยุติธรรมใช่เป็นพระเนีผ้าเหลืองนไม่เป็นหลักประกันว่าจะต้อง ไปสวรรค์หรือไปนิพพานนะถ้าทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีตกนรกโจรถ้ากลับใจถือศีลศีลมีบุญมากกว่าแล้วก็นึกถึงศีลก่อนตายด้วยไปเป็นเทวดาหมดอายุจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นชาวประมงนี่นะเป็นชาวประมงแล้วก็จับปลาที่เป็นอดีตพระนั่นแหละ <laughs> ตอนที่แสดงอดีตชาติของกัปิละให้ให้พระแล้วก็พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังแล้วก็ให้ชาวประมงฟังเนี่ยมีข้อความน่าสนใจอย่างหนึ่งพระเจ้าตรัสถึงความความซื่อตรงความซื่อตรงเรียกว่าธรรมจริยาและพรหมจรรย์สองคำนี่นะธรรมจริยาและพรหมจรรย์เนี่ย ถือเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระในพระธรรมวินัยนี้ความซื่อตรงหรือการประพฤติ ร, รมให้ตรงธรรมเนี่ยมันไปได้ตลอดถึงความพ้นทุกข์ถ้าไม่ซื่อตรงอย่าว่าแต่เรื่องสวรรค์เลยสวรรค์ก็ไปไม่ได้นั้นจ้าต้องการความพ้นทุกข์ต้องมีความซื่อตรงและท่านก็ตรัสเตือนพระภิกษุบอกว่า จงดูนะพิกษุในสมัยโน้นะยังตกนรกนะแล้วจนป่านนี้ยังกลับมาเป็นคนไม่ได้นะแล้วหัวฟาดขอบเรือตายไปแล้วตกนรกไปด้วยตกอีกนะยังมีวิบากเก่าที่ยังใช้ไม่หมดนะนี่แค่โผล่ขึ้นมาอ้าปากพูดกับเราเพื่อให้รู้ว่าเขาทําอะไรต้นนั้นเองอดีตก็ทําอะไรมาแล้วอายุยืน อายุยืนไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปถ้าอายุยืนนั้นทําผิดชั่วชั่วซ้ำาๆพระรูปเาจ้าเปรียบได้ชัดเจนมากท่านเปรียบเหมือนหลุมคูดรู้จักคูดไหมหลุมอึหลุมส้วมส้วมสมัยก่อนเนี่ยนะเคยเล่าแล้วใช่ไหม ก็ทําเป็นหลุมขุดหลุมไปแล้วก็เอาไม้พาดปากหลุมแล้วก็นั่งถ่ายหลุมนั้นน่ะถ้าเป็นหลุมส้วมมานานปีหลุมส้วมนานปีก็จะสะสมคูดมาเยอะจะเอาน้ําไปล้างให้สะอาดแล้วทําเป็นบ่อน้ำสำหอดบริโภคไหวไหมให้ไม่ต้องเป็นหลุมคูดแบบโบราณเอาหลุมส้วมซึม ปัจจุบันเนี่ยนะก็ไม่เอาแล้วใช่ไหมทางเดียวคือกลบใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าคนที่ไม่สํานึกอะ่ะคนที่ไม่สํานึกในความชั่วของตัวเองเนี่ยเปรียบเหมือนหลุมคูดเอาน้ําล้างสะอาดยากคนที่ไม่สํานึกผิดท่านว่าขนาดนี้ น, นนะคนไม่สํานึกผิดเปรียบเหมือนหลุมคูดทําความสะอาดยาก วิธีเดียวที่จะทำท่านบอกว่าเหมือนอยากเยื่อแล้วก็กวาดทิ้งไปซะรู้จั ก, จกย อ, อยากเยื่อไหมอยากเยื่ออยากใยที่นี่ไม่มีที่นี่คนทงพอสะอาดดีแสดงว่าปัดอยู่เรื่อยอยากเยื่ออยากใยแมงมุมถ้ามันมีอยู่ก็ปัดไปซะกวาดทิ้งกวาดทิ้งนะเหมือนแกลบ เหมือนหรือข้าวรีบรู้จักแกลบใช่ไหมเปลือกของข้าวดูเหมือนเป็นข้าวเปลือกแต่ข้างในไม่มีไม่มีมมเม็ดข้าวอันนี้ต้องเป่ามันทิ้งไปซะท <c oughs> ี่เขาฝัดข้าวใช่ถ้าครไปอินเดียนะก็จะมีคนคอยฝัดข้าวแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคอยหมุนหมุนพัดลมพัดลมเขาเป็นตัวใช้ไฟฟ้านะใช้หมุนเอาปั่นเอาไอา้คนก็ ฟัดข้าไปแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ปั่นปั่นให้ลมเกิดขึ้นอันไหนที่มันเป็นแกลบหรือเป็นข้าวรีบมันจะเบามันจะถูกลมปัดเปล่าออกไปไอ้พวกข้าวรีบเนี่ยไม่ต้องเก็บเอาทิ้งไป <c oughs> แล้วก็เปรียบอันนี้พระอัตถาัาจา์ท่านเปรียบบอกที่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำมีคนทำแล้วเป็นตัวอย่าง ก็คือพระโมฆลานะจำได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งพระประชุมกันเพื่อจะลงอุโบสถผ่านมาแล้วยามหนึ่งปฐมยามพระพุูปเจ้าก็ไม่แสดงปาติโมกไม่สวดปาติโมกสมัยนั้นยังเป็นพระพุูเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกอยู่ไม่ใช่มีพระมานำสวดกันเอง ถึงมัชชิมยามคือยามกลางพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สวดพระอ น, นุลก็กราบทูลว่าถึงปฐมยามแล้วครับน่าจะได้เวลาที่จะพระองค์จ ะ, จะแสดงปาติโมกพระองค์ก็นิ่งถึงมัชชิมยามพ ร, พระอ น, นุลก็เตือนอีกก็แต่พระองค์ผู้เจริญมัชชิมยามแล้วน่าจะได้เวลาที่จะสวดปาติโมกได้แล้วพระภิกษุทั้งหลายพร้อมแล้ว พระรัชกาลนิ่งจนถึงปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายพระอานนท์ก็กราบทูลเตือนอีกกาแต่พระองค์ผู้เจริญปัจฉิมยามแล้วไป พ, พิสุทธิ์ทั้งหลายนั่งรออยู่นานแล้วพร้อมกันแล้วขอพระองค์จงแสดงปาติโมกข์เถิดพระรจชกาลก็บอกว่าบริสัทไม่บริสุทธิ์ มีพระมีอาบัตแล้วไม่ยอมแสดงตัวปะปนอยู่ในหมู่คณะพระพระโมคคลานะได้ยินอย่างนั้นสแกนเลยแห่แ่แใครไม่บริสุทธิ์นนะเนาะปุ๊บปุ๊นี่เองพระโมคคลานะเนี่ยนะแสดงฤทธิเลยนะยื่นมือออกไปจับพระองค์นั้นนะพระโมคคลานะเนี่ยนะอยู่กับที่นะแต่มือเนี่ยยื่นไปจับปุ๊บ ออกไปส่งออกเป็นนอกประตูปุ๊บปิดประตูลั่นดานแล้วกราบพระพุทธเจ้าบริษัทบริสุทธิ์แล้วครับ <c oughs> สแกนแล้วนะมีไม่บริไม่มีไม่บริสุทธิ์อยู่องค์หนึ่งแล้วก็เลยจัดการออกไป <c oughs> นี่พระโมคคัลลานะทำหน้าที่ไม่ได้เป็นนักเลงโตนะแต่ดูแล้วว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์ทำให้พระพุทธาให้พระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่แสดงพระปาติโมกนั้นหน้าที่ของพระคือทาบริสัทธ์ให้บริสุทธิ์ใครจาบจ้วงพระธรรมวินยัยต้องแก้ต้องแก้ไขเหมือนอย่างที่ทายุคนี้นะท่านเจ้าคุณประยุทธ์อยู่ทิศไหนเนะี่ยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บอยู่ทีศนี้ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ ถ้ามีเหตุการณ์กระทบท่านเองนะท่านเฉยใครจะว่าใครจะว่าใครจะด่าท่านเฉยท่านเฉยแต่ถ้ากระทบถึงพระธรรมวินัยท่านไม่เฉยท่านจะออกมาให้ปัญญากับผู้คนทั้งหลายว่าสิ่งนี้ผิดยังไงที่ถูกต้องคืออะไรนะท่านจะออกมามีคนไปกราบเรียนถามท่านท่านก็จะตอบให้ แล้วก็จะออกมาเป็นหนังสือชี้แจงแต่คนที่ทนไม่ได้ก็จะด่าท่านอีกแต่ท่านถ้าด่าท่านท่านเฉยถือว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ากระทบถึงพระธรรมวินยัยมันมันจะทําให้คนหมู่มากเข้าใจผิดเหมือนอย่างที่กปิละกะปิละเนี่ยทำให้พระธระรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสื่อมไป คนทั้งหลายเข้าใจพระธรรมวันไหนผิดเพราะหลงเชื่อพระเถระที่เข้าใจว่ามีความรู้มากแล้วก็บิดเบือนอย่างนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่ายอมพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าคนที่อายุยืนและทาผิดนานๆเปรียบเหมือนหลุมซ่วมหลุมคูดทำความสะอาดยากต้องกำจัดมันเสีย แต่พระเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่คำว่ากำจัดมันนะกำ <c oughs> ให้กำจัดเสียเหมือนข้าวรีบเหมือนแกลบให้คัดออกไปจากเข้าเปลือกเหมือนเมื่อกี้เหมือนอะไรได้เปรียบอะไบ้งนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายนะถ้าถ้ามันยังปนอยู่เนี่ยนะให้ออกไปซะแล้วเมื่อกำจัดได้แล้วให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ย สามัคคีกันชื่นชมยินดีต่อกันเห็นแต่ละคนมีความรักในพระธรรมวินัยและมีความยินดีต่อกันชื่นชมยินดีต่อกันพากันศึกษาในถ้อยคาของพระองค์พากันศึกษาว่าพระองค์สอนอะไรแล้วปฏิบัติจากนั้นทุกคนในที่นั้นจะพ้นทุกพระเจ้าสอนอย่างนี้นะ ทำกลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยให้เห็นตรงกับพระเจ้าซะก่อนถ้าเห็นไม่ตรงกันแล้วบริษัทนั้นยังถกเถียงกันอยู่จะฟุ้งซ่านจิตใจจะฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นพระเจ้าอย่างเตือนอยู่ว่าอย่าพูดคําที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันแล้ว จิตมันจะฟุ้งซ่านไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นก็ไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีเหตุที่จะให้เกิดปัญญานั้นแม้แต่คำพูดที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันถ้ามีอยู่เงียบซะนิ่งซะถ้าอยู่กับบุคคลที่เขามีความผิดมากๆอย่าไปอยู่ด้วยถ้าเขาจับจ้วงพระธรรมวินยัย ถ้าแก้ไขได้ให้รีบแก้ถ้าเขายงอยู่ในหมู่เป็นสมาชิกในกลุ่มตักเตือนแล้วไม่ฟังขับออกซะ <c oughs> นี่นะเหมือนข้าวรีบเหมือนข้าวรีบฝัดออกไปซะเหมือนอยากเยื่ออยากย่อยอยู่ในบ้านกวาดออกไปซะแต่ไม่ไม่ใช่ข้ามแมงมุมนะกวาดอยากเยื่ออยากย่ยกวาดออกไปไม่ใช่ไปตีแมง ม, มุมกวาดออกไปให้อยู่ข้างนอก แล้วบ้านสะอาดอยู่บ้านสะอาดมีใจสบายแล้วจิตใจปลอดโปร่งสงบดีแล้วไม่ฟุง้งซ่านภาวนาต่อ <c oughs> นี่นะพระห้าร้อยรูปที่ว่าเนี่ยปฏิบัติทำง่ายๆนะแค่มีหิริอตับปะละอายต่อบาปเป็นพื้นฐานก่อนเลยแล้วพอจะเอาจริงเอาจังก็ทำง่ายๆ อปันนกกะปฏิปทาเท่านั้นเองมีอินทรีสังวรสำรวมอินทรีทำอย่างนี้อยู่สามเดือนเข้าพรรษาไม่ทันออกพรรษาเป็นพระอาหารหันต์มีอินทรีสังวรพอเสเนมตันยุตานี่ก็บริโภคพอสมควรชาคริยานุโยกคือมีความเพียรตัวหลักเลยคืออินทรีสังวรเจริญ สติจิตเวลามันทํางานมันจะออกไปทางช่องทาง6ช่องทางเขาเรียกว่าอินทรีย์6ช่องทางเรียกว่าอินทรีย์ตาเป็นอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์แปล ว, ว่าความเป็นใหญ่ตามีความเป็นใหญ่ในการรับรู้แสงสีหูมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงจมูกมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้กลิ่น ลิ้นมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายมีความเป็นใหญ่ในการรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอย่างตอนนี้ลมพัดมาเย็นไหมเย็นนะเย็นอะไรอะไรรับรู้ความเย็นกายรับรู้ใจรับรู้ต่อจากกายอีกทีหนึง่งจิตเนี่ยอาศัยช่องทางคือกายในการรับรู้ว่าโลกนี้มีความเย็นความร้อนรับรู้แล้วชอบหรือไม่ชอบก็รู้ทัน นี่นะมีความสำรวมอินทรีย์อย่างนี้จิตมันออกรับรู้ทางไหนมีความพอใจไม่พอใจรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นจากการรับรู้ทางช่องทางไหนรู้ทันไม่ไปทําผิดรู้ทันกิเลสซะก่อนไม่เอากิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาครอบงำจิตอีกทีหนึง่งถ้าไม่รู้ทันกิเลสจะโต กิเลสจะโตแล้วก็จะครอบงําแล้วบังคับให้เราไปพูดผิดทําผิดเหมือนอย่างท่านกัปปิละมีความอยากใหญ่มีความพองในลาบยศต่างๆแล้วไม่รู้ทันพอไม่รู้ทันก็ทําผิดทําผิดแล้วไม่มีใครเตือนหรือเตือนแล้วไม่ฟังก็ทําผิดอีกมีอายุยืนก็ทําผิดได้นานผิดนานๆกลายเป็นหลุมสุวม เกล็กกลางความผิดเกล็กกลางเราอย่าเป็นอย่างนั้นให้รู้ทานซะก่อนแต่จริงๆแล้วในพวกเราก็เกล็กกลางนะมันมาตั้งแต่สัมสารวัตรนะมันเกล็กกลางทําให้เวลาเจริญสติแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เกิดมรรคผลทันทีแต่เกล็กกลางเนี่ยมันไม่ถึงกับเป็นหลุมสุวมมันเป็นอะไรที่พอกพอกเอาไว้ หนาหนาหนาหนาและเหนียวเหนียวรู้สึกกันไหมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรปิดบังปัญญา <c oughs> ไม่ทะลุไปสักทีอันนั้นเป็นเหมือนที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าเป็นหมูกระดาษถ้ามีสภาวะอันนึงเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ทันมันไม่ดับเฉยเฉยมันดับแล้วไปสะสมเป็นอนุสั่อนุส่เนี่ยก็คือท่าน แปลแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าเป็นกิเลส ท, ที่นอนเนื่องคาว่ากิเลส ท, ที่นอนเนื่องนท่านก็เปรียบเหมือนน้ำในตุ่มฟุนตะกรต่างๆก็จะตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ก้นตุ่มความรู้สึกของคนยุคนี้ถ้าให้ชัดขึ้นก็เหมือนกับว่าเป็นหมูกระดาษไอ้ตกตะกอนเนี่ยเรายังรู้สึกว่าข้างบนมันใสใช่ไมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหมูกระดาษเนี่ยมันเหมือน ปิดเราออกจากโลกสร้างตัวตนขึ้นมาแบบหลอกหลอกรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้รักเราเป็นผู้ชังจริงไม่มีเรามีแต่ความโกรธความรักความชังพอสองกระจกกูแก่จริงไม่มีไม่มีกูมีแต่ความแก่ถ้าแยกกูออกจากความแก่ได้ในสบายใจเออกูไม่แก่มีแต่ความแก่ มันมีการสร้างตัวตนขึ้นมาแบบปลอมๆแล้วเวลาเราทำหมูกระดาษเนี่ยเราแปะจากข้างนอกแต่จิตสร้างตัวตนเนี่ยแปะจากข้างในแปะจากขไหนแล้วก็พองออกไปพองออกไปสังเกตไหมมีการสร้างตัวตนไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอนุสัยอีกรูปแบบหนึ่งไปแปะแล้วก็ไปหนาๆอยู่ข้างนอก <Okay. S 1> เป็นหนาๆ ให้รู้ทันจะหนาแค่ไหนก็ไม่เกินมือไม่เกินมือสติให้รู้ทันแล้วนะสติมีกําลังมากหลงไปทีหนึ่งเนี่ยนะและมีสติทีหนึ่งคุม้มหลงไปสองทีแล้วมีสติทีหนึ่งก็ยังคุม้มหลงไปห้านาทีแล้วมีสติทีนึงก็คุม้มเอ <c oughs> <c oughs> ให้บ่อยกว่านั้นหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ดีกว่าไม่มี นะดีกว่าไม่มีมีบ่อยๆเพราะการเผลอการเผลอเนี่ยเป็นอกุศลกำลังนิดหนึ่งแต่สติที่ว่าเนี่ยนะสติที่ว่าไม่ใช่สติแบบทั่วๆไปสติเห็นสภาวะเนี่ยมันเป็นสติที่มีกำลังแรงเป็นสติที่จัดอยู่ในสติปัฏฐานเห็นจิตที่มีราคะพอมีสติราคะดับ เห็นได้ยว่าราคะดับไม่ใช่ดูเฉพาะราคานะจิตมีโทสะเห็นแล้วเห็นดดวยว่าพอมีสติแล้วโทสะดับมีความเผลอคือมีโมหะพอมีสติเห็นเดียว่าโมหะดับเห็นความฟุ้งซ่านเห็นความหดหู่เห็นเป็นคู่คู่ไม่ใช่เห็นเป็นตัวตัวเห็นเป็นคู่คู่มีราคะกับราคาดับ มีโทสะกับโทสะดับมีความหลงคือมีโมหะแล้วก็มีรู้ตัวคือโมหะดับมีฟุ้งซ่านแล้วก็มีหดหูดูเป็นคู่อย่าดูเป็นตัวดูเป็นคู่ทำไมต้องดูเป็นคู่เพราะการดูเป็นคู่จะแสดงไตรลักษณ์มีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วก็มีดับเห็นไตรลักษณ์เรียกว่าเกิดปัญญาเห็นเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ พอเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วเกิดปัญญาตรงนี้แล้วครั้งเดียวไม่พอครั้งเดียวไม่เคยพอ <laughs> เพราะปัญญาแค่นี้มันเฉือนหมูกระดาษไปหน่อยเดียว <laughs> มันเฉือนหมูกระดาษไปหน่อยเดียวถ้าเป็นตะกรอนก็เอาตะกรอนออกไปหน่อยเดียวยังไม่พอยังไม่พอเฉือนอีกเฉือนบ่อยๆดูไปแล้วก็ไม่ต้องเฉือนนา น, น, าน ไม่ใช่เฉือนเฉืน่นตั้งใจเฉือนคือตั้งใจให้เกิดปัญญาหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องขนาดนั้นปัญญาจะเกิดแวบๆบแบบแล้วก็มาทําความตั้งมั่นใหม่เผลอใหม่ก็ได้แล้วก็รู้ตัวใหม่รู้ตัวขึ้นมาใหม่เผลอใหม่รู้ตัวใหม่หมจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาอีกทํำบ่อยๆนะเผลออีกต้องเผลอนะเพราะเผลอแล้วจะรู้อีกนะถ้าคิดว่ารู้อยู่เรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงนะให้สงสัย ว, ว่ารู้ปลอม นะสงสัยไปก่อนนะว่ารู้ปลอมแล้วก็มักจะมีคำตอบว่าจริงรู้ปลอมจริงๆถ้ า, ป, ญญานะปัญญาที่ดีนะปัญญาที่ดีเนี่ยจะเกิดแวบหนึงแบบน่งแวบหนึ่งปัญญาที่ดีสำหรับพวกเรานะเกิดแวบหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวหลงใหม่แล้วก็รู้ตัวใหม่จิตตั้งมั่นใหม่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาใหม่เห็นว่ามันเกิดดับใหม่ จนจิตมันยอมจนจิตมันยอมมันเชื่อเห็นครั้งแรกไม่เชื่อแต่พยายามเราจะมีตัวหนึ่งพยายามจะเชื่อพยายามจะปรุงว่าใช่ใช่ใช่มันไม่เที่ยงใช่เลยใช่เลยพยายามจะบอกตัวจะบอกจิตตัวเองว่าให้เกิดปัญญาสถทีแต่จิตไม่ยอมเชื่อเรากับจิตนี่ไม่เหมือนกันนะเราเยพยายามเร่งให้จิตมันฉลาดแต่จิตยังไม่ยอมไม่ยอมฉลาดเพราะข้อมูลยังไม่พอ ต้องเอาของจริงให้มันดูไม่ใช่ไม่ใช่กรอกหูมันเ ไ, ไ, ไอ้แต่เราพูดอยู่ในใจเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เรานะไอ้ น, นี่พูดกรอกหูเฉยๆฉยกรอกหูแบบไม่มีไม่มีพยานที่เป็นประจักษ์พยานจิตเนี่ยต้องอาศัยประจักษ์พยานคือเห็นจริงๆเห็นจริงๆมันคือเห็นปัจจุบันไม่ใช่นึกเอาในอดีตไม่ใช่นึกเอาถึงอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงขณะนี้เวลานี้ จะเป็นกายก็ได้หรือเป็นจิตก็ได้ดูสภาวะมันนะไม่ใช่ดูสมมติด้วยเป็นการอะไรก็เรียกอะไรเตือนเป็นการเตือนจริงหลักการทั้งหลายเนี่ยคงจะฟังกอมาบ่อยแล้วนะนี่เป็นการเตือนเฉยๆว่าต้องทำนะสิ่งที่ทำก็คือรู้ตัวในปัจจุบันไปแล้วอยู่กับสังคมก็ให้รู้เท่าทัน มีความผิดอะไรให้เลือลึกให้เร็วๆเป็นผู้อายง่ายอย่าอายยากมีผู้เตือนแล้วให้ขอบคุณคนเตือนนั้นอย่างที่พระเจ้าเตือนพระห้ารรูปที่เป็นอดีตชาวประมงชาวประมงไม่เถียงเลยไม่เถียงเลยแล้วแถมมีความละอายต่อความผิดที่ตัวเองทำด้วยเห็นความผิดของตัวเองเห็นง่ายก็จะพ้นง่ายเพราะว่าเห็นง่ายก็จะไม่ทาอีก ถ้าเผลอไปแล้วนิดนึงก็จะรู้ได้ทันแล้วก็จะไม่ทำอีกเพราะว่าเป็นคนที่ละอายอย่าเป็นคนอายยากอายยากก็ก็เปรียบเหมือนอะไรหนังหนาใช่ไหม <c oughs>